วะเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อรู้แล้วนี่ต้องนำไปปฏิบัตินะมันจึงจะเกิดประโยชน์หรือว่าเกิดคุณค่าขึ้นมาแก่ฟังอย่างเดียวหรือว่าอ่านอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเนะี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติ ด, ด้วยกายวาจาที่เรียกว่าศีลการปฏิบัติ ด, ด้วยวัตถุสิ่งของที่เรียกว่าทานหรือว่า การปฏิบัติลงไปถึงใจเนี่ยเรว่าภาวนาแต่คนนี้พอลงมือปฏิบัติแล้วนี่นะมันก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนะพอถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันก็เกิดผลเสียขึ้นมาได้มันจะมีคำนะที่เราคงได้ยินบ่อยเนี่ยปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหรือว่าประพฤติสมควรแก่ธรรมเนี่ย นั่นเป็นคำสำคัญนะอย่างในบทสวดที่เราสาธยายเป็นประจำเนี่ยติลคันาทิคาถาเนี่ยก็มีข้อความหนึ่งนะก็ชนเลาใได้ประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วชนเลานั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่คามได้ยากบางทีเราก็อ่านผ่านๆไปนะ แต่จริงมันเป็นคำที่เราควรจะพิจารณาให้ถ่องแท้ให้เข้าใจถ่องแท้ประพฤสมควรแก่ธรรมเนี่ยหรือปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเนี่ยน้วมันมีอนิสงส์มากเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะพาเราเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานหรือว่าข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุที่ค้ามได้ยากได้ คือว่าอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายเลยทีเดียวหรือว่าในบางบทเนี่ยนะที่เราก็สวดอยู่บ้างนะธรรมคารวาทิคาถาเนี่ยผู้ที่ประพฤติ ด, ดีแล้วเนี่ยนะทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วย่อมทําให้เกิดสุขทำที่ประพฤติ ด, ดีแล้วมันก็มีในัยยะว่าถ้าประพฤติไม่ดีนะ มันก็เกิดทุกข์หรือไม่เกิดสุขขึ้นมาได้ฉะั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงจําเป็นนะที่ต้องพิจารณาว่าปฏิบัติถูกต้องไหมสมควรแก่ทำไหมหรือว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติดีหรือเปล่าแม้จะเป็นธรรมแต่ว่าถ้าปฏิบัติไม่ดีก็เกิดทุกข์ได้คําว่า ปฏิบัติสมควรแก่ทำเนี่ยนะภาษาบาลีเนี่ยธรรมานุธรรมปฏิปติอันนี้ไม่ก็เป็นคําที่เรียกว่ามีความสําคัญเลยทีเดียวนะเป็นหนึ่งในหมวดธรรมที่เรียกว่าโสตปฏิยังคะคือองค์คุณอย่งภาษาองค์งาางคุณอย่งพระโสดาบันองค์คุณอย่งพระโสดาบันนี่มีสี่ประการ เรื่อตั้งแต่การรู้จักคบหาสัตตบรุษหรือผู้ทรงธรรมครบหาแล้วล้วก็รู้จักฟังธรรมศึกษาธรรมจากการฟังก็ดีจากการอ่านก็ดีแล้วก็คร้ครวนนะครควรด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาหรือ่โยนิสโสมนสิ ก, การแต่แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยนะก็คือทำมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรม ฉะั้นถาเราปฏิบัติเนี่ยไม่สมควรแก่ทําหรือปฏิบัติผิดเนี่ยนะที่ทํามาทั้งหมดนี่มันก็อาจจะเรียกว่าปล่าประโยชน์ก็ได้นะเว้นแต่ว่าเอามาเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้เราปฏิบัติได้ถูกอย่างที่หลวงพ่อคำํำแก้วท่านบอกว่าเนี่ยต้องรู้จักเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเมื่อเราปฏิบัติผิดเอ่ะเราก็ได้บทเรียนจากการปฏิบัตินั้นแล้วก็มาทําให้มันถูก บางทีเราปฏิบัติผิดเนี่ยมันก็ทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้มันถูกได้ซึ่งก็อาจะทำให้เจริญรุดหน้าไปได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติผิดเนี่ยนะมันก็ถาาว่าเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกนะอันนี้มีประโยชน์แต่ถ้ายัางไม่เฉลียวใจ ยังปฏิบัติผิดเรื่อยไปนี่มันก็เกิดเป็นโทษขึ้นมาได้อันนี้ปฏิบัติเนี่ยโดยสมควรแก่ธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจได้ชัดเนี่ยมันก็ต้องเห็นซะก่อนนะว่าปฏิบัติโดยไม่สมควรแก่ธรรมเนี่ยมันคืออะไรคือเราจะปฏิบัติถูกได้ก็ต้องรู้ก่อนวนะ่าปฏิบัติผิดนี่มันเป็นอย่างไรเรารู้ว่าปฏิบัติผิดเป็นอย่างไรนะมันก็ทําให้เราเนี่ยมี กรอบมีเกณนในการที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องปฏิบัติโดยไม่สมควรแก่ธรรมเนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าเนี่ยใช้ธรรมในทางที่ผิดหรือปฏิบัติในทางที่ผิดอเช่นว่าประพฤติทธรรมหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อสร้างภาพนะเขาปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องย้าซะก่อนนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะการมาภาวนาอย่างเดียวนะ หลดนึ่งการให้ทานการรักษาศีลด้วยอันนี้เราเป็นการประพฤติธรรมปฏิบัตินี่ถ้าเราทําเนี่ยนะเพื่อสร้างภาพว่าฉันเป็นผู้ใฝ่ธรรมว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้มันเรียกว่าปฏิบัติผิศนะตั้งแต่แรกเลยแม้ว่าภาพรักภายนอกจะดูดีนะนุ่งขาวห่มขา ว, ขาวเดินสำรวมนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อสร้างภาพ ว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้มันไม่ถูกนะซึ่งเราก็ต้องระวังนะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มันก็เป็นกระแสไปซะแนละ้วจะเป็นดาราจะเป็นนักร้องจะเป็นนักธุรกิจนะถ้ามีภาพว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมมันก็ดูดีในสายตาคนทั่วไปแต่ว่าถ้าทำเพื่อเหตุนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าปฏิบัติผิดแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเป็นกระแสนะที่เราต้องไม่ เผลอนอะหลงเข้าไปในกระแสนั้ น, นปฏิบัติเพื่อสร้างภาพหรือเพื่อลาบสักการะเนี่ยอันนี้มันเป็นกับดักเบื้องต้นเลยเพราะว่าพอสังคมเนี่ยเาให้คุณค่ากับคนที่ประพฤตริรมเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยลาบด้วยสักการะโดยเพราะถ้าเป็นพระเนี่ยโหลาบสักการะก็มาเลย ถ้าทำตัวให้เคร่งเข้าไว้สํารวมราบสักการะก็มาได้ง่ายแต่คว่าก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อสร้างภาพเพื่อราบสักการะเนี่ยมันก็เกิดโทษขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยศึกษาธรรมประพฤติธรรมเนี่ยก็เพื่อ ยกตนข่มท่านนะอยากจะศึกษาอยากจะมีความรู้เพื่อที่จะได้ไปไปข่มคนอื่นหรือไปยกตนให้สูงขึ้นนะั่นฉันเป็นคนมีภูมิรู้อันนี้มันผิดเลยนะผิดตั้งแต่แรกเลยเราต้องระมัดระวังเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันก็รู้จักฉวยใช้ทุกอย่างมันรู้จักฉวยใช้ธรรมะเพื่อ สร้างตัวมันให้ดูเด่นอันนี้ก็เป็นอุบายหรือเป็นหน้าที่ของอัตตารือทีเดียวเนาะมันก็รู้จักสรรหาทุกอย่างรวมทั้งธรรมะวิัยเพื่อยกหูชูหางหรือว่าเพื่อสร้างตัวกูให้สูงเด่นอันนี้คือความหมายแรกนะของการปฏิบัติที่ไม่สมควรแก่รม คือปฏิบัติในทางที่ผิดประการต่อมาคือว่ า, าปฏิบัติอย่างผิดวัตถุประสงค์ธรรมะเนี่ยแต่และข้อแต่และข้อก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะก็ดีทั้งนั้นนะแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสันโดษเนี่ยนะสันโดษเนี่ย ก็เป็นปลายเพื่อให้เราเนี่ยไม่เสียเวลาและพลังงานไปกับการหาเงินหาทองหรือว่าในการเสพเอาคนที่ไม่รู้จักสันโดษเนี่ยก็จะหมดเวลานะไปกับการหาเงินหาทองเพื่อให้ช่วยมันร่ำรวยเกินฐานนะหรือว่าเพื่อการเสพใช้ชีวิตที่ดูแล ฟู้ฟ้าฟุ่มเฟือยไสันโดษนี่มันทาให้เราเนี่ยไม่ไปทำอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักอยู่ง่ายกินง่ายพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เราก็ไม่เอาเวลาเนี่ยไปกับการหาเงินหาทองเพื่อปนเปิดตนไม่เสียเวลาไปกับการเสพสุขแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าพอสันโดษไปแล้วเนี่ยกลายเป็น คนเกลียดคร้านไปเลยก็มีในเมื่อฉันไม่ต้องการอะไรมากนะฉันก็เลยไม่ต้องทําอะไรมากเหมือนกันแต่ก่อนทํางานหามรุ่งหามค่ําเพื่อได้มีเงินเยอะๆแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการใช้เงินแล้วเพราะฉันอยู่ง่ายกินง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันแค่ทํางานวันละไม่กี่ชั่วโมงก็พอหรือว่าทํางานอาทิตย์ละแค่สองสามชั่วโมงฉันก็พอกินแล้วแล้วที่เหลือทำอะไรนะที่เหลือก็นั่งเล่นนอนเล่นไงอันนี้มันก็ไม่ถูกนะ สันโดนีมันก็นำพาไปสู่ความเกยียดคร้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงนะมีธรรมะข้อหนึ่งกากับเอาไว้นะคือวิริยะเพื่อให้แน่ใจว่าเนี่ยแทนที่จะนั่งเล่นนอนเล่นก็เอาเวลาและความเพียรเนี่ยไปทำสิ่งที่ดีงามเช่นไปฝึกฝนพัฒนาตนเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพราะว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องท้องแล้วเพราะว่าเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเอาเวลาไปฝึกฝนพัฒนาตนซะหรือไม่ก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นรวมทั้งเอาเงินที่มีเนี่ยนะไปบำรุงอุปธรรมส่วนรวมอย่างบางคนเนี่ยสันโดวก็จริงแต่ขยันทำงานนะ เป็นเศรษฐีแต่ว่าเงินที่ได้มานี่ไม่ได้เอามาใช้ปนเปอร์ตนแต่ว่ามาใช้ช่วยเหลือสังคมบริจาคให้โรงพยาบาลนะส่งเสริมการศึกษาให้ทุนการศึกษาหรืออุปธรรมวัดวาอารามอันนี้ว่าปฏิบัติสันโดษหรือสันติทีธําได้ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการส่งเสริมความเกียดคร้านนะฉัน พอแล้วฉันไม่ต้องการอะไรมากแล้วเพราะฉะนั้นฉันนั่งเล่นนอนเล่นดีกว่านะหรือว่าธรรมะที่เราได้ยินบ่อยนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเขามีไว้เนี่ยเพื่อที่ให้เราเนี่ยรู้จักขวนขวายในการทำตนให้เป็นที่พึ่งทั้งทางโลกและทางธรรมนะแต่ถ้าใช้ไม่ถูกนะนก็ทำให้กายเป็นคนไม่มีน้ำใจนะไม่อยากช่วยเหลือใครนะ เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องช่วยตัวเองสิจะไม่ฉันช่วยได้ยังไงเธอก็ต้องช่วยตัวเธอเองฉันไม่ช่วยหรอกอันนี้กายเป็นคนขาดเมตตาขาดน้ำใจแล้วก็อ้างนะว่าเนี่ยตนต้องเป็นที่พึ่งหองตนสิฉันไม่ช่วยเธอหรอกนะเธอต้องช่วยตัวเองตอนที่เขาเนี่ยกำลังเดือดร้อนบางทีเดือดร้อนแสนสาหัสเลย เมื่อคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยจมน้ำเนี่ยบอกว่าตนเป็นที่หมืองตนสรไม่ได้เราว่ายน้ําเก่งเราไปช่วยเขาหรือไม่เราอยู่บนบกเราก็พยายามหาอะไรมายื่นให้เขาเกาะให้เขาจับเพื่อที่จะเข้าฝั่งได้แตบางคนเนี่ยใช้ธรรมะข้อ น, นี้ในทางที่ผิดนะเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัวหรือขาดน้ําใจ หรือว่าทำสมาธินะทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้ใจสงบสงบเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้พัฒนาปัญญาสมาธิเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญาแต่บางคนพอทำสมาธิแล้วเนี่ยนะมุ่งจะเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตหรือว่าเห็นตัวเลขเนี่ยอันนี้แหละ ว, ว่าปฏิบัติถิดวัตถุประสงค์แล้วพาสมาขาฝึกสมาธิไม่ได้เพื่อสิ่งนั้นโดยพราะสมาธิในพุทธศาสนา ไม่ใช่เพื่อเห็นแสงเห็นสีหรือเพื่อที่จะ่ายใจคนได้เพื่อทจะใดรู้ใจคนอื่นไม่ใช่แต่เพื่อจะให้มารู้ใจตัวเองเพื่อจะได้มาเห็นเห็นใจของตัวเองเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามเข้าใจความจริงของรูปของนามหรือเพื่อให้มีปัญญานะให้เข้าใจสัจธรรมความจริงถ้าไปเอาสมาธิไปทำ วัตถุประสองค์อื่นน ะ, ะมันมันไม่ถูกแล้วนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแก่ทำปฏิบัติสมควรแก่ใจประการนึ่คือว่าเนี่ยทําผิดกรณีนะผิดกรณีอย่างเช่นเนี่ยสวดมนต์เนี่ยนะสวดมนต์เนี่ยถ้าเราขณะที่กำลังขับรถอยู่เนี่ยไปสวดมนต์เนี่ยมันไม่ถูกแล้วล่วะเวลาขับรถนี่ต้องใช้สติ มันเป็นเวลาของการเอาสติมาใช้จะปฏิบัติทําขณะขับรถก็ต้องเจริญสติบางคนเนี่ยนะขับรถก็สวดมนต์ไปด้วยสวดมนต์เนี่ยมันควรสวดมนต์ที่บ้านหรือว่าสวดที่วัดในยามที่เราไม่ได้ทำกิจอะไรหรือขณะกินข้าวเนี่ยก็สวดมนต์ไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ถูก ขับรถยิ่งส่วนบนไปเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุแล้วไปโทษวว่าเนี่ยทำไมทําปฏิบัติทำหรือทําดีแล้วทําไมไม่ได้ดีก็เพราะมันทําผิดกรณีทําผิดกรณีทําไม่ถูกเวลามเวลาส่วนมนต์ก็ต้องไปสวดที่อื่นไม่ใช่ในเวลาอื่นไม่ใช่เวลาขับรถหรือว่าทําหมวดที่สําคัญเนี่ยคือพวอชงเนี่ย อันนี้พ่อชงเนี่ยมันก็จะมีประกอบไปด้วยธรรมะเจประการแบ่งเป็นสองหมวดหมวดแรกเนี่ยนะหรือกลุ่มแรกเนี่ยช่วยทำให้ใจสงบอันนี้ก็ได้แก่สมาธิปิติปสัสสิสมาธิปสัสสิแล้วก็อุเบกขา เป็นธรรมะที่น้อมนำให้เกิดความสงบส่วนธรรมะอีกมวลหนึ่งเนี่ยนะทำให้เกิดความกระตือรือรน้นอันนี้ก็ได้แก่ปิตินะวิริยะแล้วก็ธรรมวิจยะถ้าเราศึกษาเรื่องพุทชงเจดล้วก็ต้องมาใช้ให้ถูกปฏิบัติให้เป็นอย่างเช่นเวลาที่เรา กลางฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าทําความเพียรมากไปมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านหนักขึ้นหรือว่าถ้าเราเนี่ยเกินง่วงเกินเสื่องซึมคืนมาทําสมาธิเข้ามันยิ่งดิ่งเข้าไปใหญ่ในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าขณะที่เราง่วงเสื่องซึมเอาเรามาทําความเพียรเริ่มใช้เวริยะหรือว่าใคร่ควรทำเนี่ยเรียกว่าทำมรรยะอันนี้มันทําให้ตื่นนะ อันนี้เราปฏิบัติถูกกรณีเนทาตรงข้ามถ้าเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดทําความเพียรมันยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่หรือขณะที่กำลังฟุ้งซ่านเนี่ยไปใคร่ควรทำเนี่ยทำมรรคยะมันยิ่งฟุง้งกระจายเข้าไปใหญ่ในยามนั้นก็ต้องใช้สมาธิหรือว่ปัสสัธิเนี่ยหรือบางทีต้องใช้อุเบกขาพระพุทธเจ้าเปรียบมันก็เปรียบว่าเนี่ยเหมือนกับไฟนะถ้าไฟมันแรงเนี่ย เรายาให้ไฟมันรีเนี่ยก็ต้องใช้ยาสดโปรยลงไปนะยาสดมันก็ทำให้ไฟเนี่ยมันอ่อนแรงลงแต่ถ้าไฟมันอ่อนแรงเราอยากจะให้ไฟมันแรงขึ้นนะเราก็โยนยาแห้งลงไปอันนี้ท่านอุปมาเพื่อบอกว่าในเวลามันง่วงเงาซึ่งซึมนะก็ต้องเติมวิริยะ เติมปิติเข้าไปหรือธรรมวิจยตหรือว่าใช้ธรรมะทั้งสามประการเนี่ยเพื่อทำให้จิตใจมันตื่นกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงแต่ถ้าเอาธรรมะหมวดอื่นมามาใช้หมวดที่สองมาใช้นี่มันยิ่งเสื่องซึมเข้าไปใหญ่นะเช่นใช้สมาธิใช้ปัสสัตที่ใช้อุเบกขาอันนี้เราก็ต้องรู้จักว่าธรรมะ แต่และข้อแต่และข้อเนี่ยเามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราก็ใช้ให้ถูกกรณียกเว้นสติในสตินี่ใช้ได้ทุกกรณีเลยนะง่วงเงาเสื่องซึมก็ต้องมีสติถึงจะตื่นหรือว่าถ้าเกิดว่าวาวุ่นฟุ้งซ่านก็ต้องมีสติเพื่อที่มันจะได้สงบระ ง, งับในพจนชงเจ็ดเนี่ยอย่างที่บอกนะมันมีธรรมอยู่สองหมวดหมวดละ3 แต่มีสตินะที่เรียกว่าอยู่กลางๆนะใช้ได้ทุกกรณีเบื่อเซ็งก็ต้องมีสติช่วยทำให้เกิดความตื่นรู้เบิกบานตะตือรือร้นหรือถ้ามันรุ่มร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายนะอยู่นิ่งไม่เป็นต้องมีสติเข้าไปช่วยทำให้ใจนิ่ง เฉพาะสติขนาดนั้นที่เราว่าใช้ได้ทุกกรณีนะแต่นอกนั้นนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับกรณีนะอันนี้ เ, เราจะปฏิบัติเนี่ยชงเจก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเหมาะกับโอกาสไหนกรณีใดแต่ถ้ารู้จักใช้ให้ผสมประสานกลมกลืนงันมันก็จะทำให้เกิดการก้าวหน้าในการปฏิบททัติธรรมอันนี้เรียกว่าใช้ถูกกรณี ตอนนี้ปฏิบัติไม่สมควรกับทางอิกปการหนึ่งนะก็คือว่าทํามากไปทํามากไปก็ไม่ดีนะความเพียรเนี่ทํามากไปก็ไม่ดีนะอย่างพระโส น, เนโาเนี่ยโกริวิสาเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรมากเดินจงกรมจนเท้าแตกเลยเดินเท้าแตกก็ยังไม่ยอมเลิกนะเดินไม่ได้ก็เดินจงกรมไม่ได้ก็คลานเรา ก, ก็เอา ท่านเนี่ยก็เรียกว่ามีไฟที่แรงมากเนะี่ยใจนี่อยากจะเอาให้ได้นะการบรรลุธรรมเนี่ยแต่ท้ายเนี่ยนะก็ไม่สำเร็จนะก็เลยทอ้ออยากจะสึกขึ้นมานะู้เจ้าเนี่ยทราบเนี่ยก็เลยไปเตือนสตินะระสนุนะประสุนาเนี่ยเคยเป็นคนดีดพินนะเก่งในเรื่องดีดพินเจ้าเลย ถามว่าเนี่ยพินเนี่ยนะซึ่งเขามีสามสายเนี่ยถ้าขึงให้ตึงเนี่ยนะจะดีดไพร่รอบไหมไม่ไพรรอบพระเจ้าข่าแล้วถ้าขึงให้มันหย่อนเนี่ยไพร่รอบไหมมันก็ไม่ไพร่รอบพระเจ้าค่าทำยังไงถึงจะดีดได้ให้ไพรเรอะก็ต้องขึงให้มันพอดีพอดีพะเจ้าก็เลยถาว่าเนี่ยความเพียงกันเหมือนกันนะ ถ้าทำมากไปมันก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าหย่อนเกินไปมันก็เกียดครัางเขยเนื่อยเนี่ยก็สนนั่นนี้ได้สติเลยนะได้คิดเลยว่าโอเราเราทำความเพียรมากไปความเพียรมากไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะต้องทำแต่พอดีพ็พอดีนี่ไม่ใช่ทางสายกลางนะมันมีคำเรียกนะเรียกว่าวิริยสมมาตานะวิริยสมมตาคือความเพียรแต่พอดีพอดี คนละคนละเรื่องกับทางสายกลางนะแทะ้แม้ว่ามันจะดูใกล้กันพระโซน่าเนี่ยพอทำความเพียรแต่พอดีทำความเพียรเนี่ยรวมถึงการวางใจด้วยนะวางใจไม่ไม่ให้คําเคร่งเกินไปทำใจผ่อน ล, ลงมาหน่อยในสุดก็ได้บรรลุอรัตผลนะคนที่ตั้งใจมากไปเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะไปเพ่งนะ โทษไม่ได้ที่ไปเพ่งแต่ถ้าไม่ตั้งใจมากมก็มันก็เผลอได้ง่ายต้องวางใจเนี่ยให้พอดีพอดีถ้ามันถาทําให้การปฏิบัติเนี่ยกาวหน้า น, นี้ก็เลยถึงจะเกิดการปฏิบัติที่สมควรแก่ทำเพราะฉะนั้นนีให้เราเข้าใจนะว่าเวลาปฏิบัติธรรมหรือประพฤติธรรมเนี่ยแม้ว่าการประพฤติธรรมเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่มันต้องทําให้ถูก สิ่งที่ดีเนี่ยถ้าทําไม่ถูกนี่มันก็เกิดผลเสียนะอย่างขับรถเนี่ยมีประโยชน์นะขับรถเนี่ยใครขับรถได้นี่ก็ช่วยทําประโยชน์อะไรได้เยอะแต่ถ้าขับไม่เป็นอย่าขับนะเพราะว่าถ้าขับไม่เป็นแล้วเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสมาธิเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าทําไม่เป็นอย่าทําเพราะบางคนทําแล้วก็คุ้มครั่งขึ้นมาบางทีบ้าเก็เลยก็มีนะหรือบางทีก็ตาค้างเพราะว่า ทำหนักไปทำผิดวางใจผิดแล้วก็ไม่รู้ตัวยังทําไปอีกดื้อรั้นก็เลยเกิดปนเสียเกิดคุ้มครั่งขึ้นมาแล้วไปโทษว่าทําสมาธิไม่ดี น, นี่ไม่ใช่แต่เพราะทําไม่ถูกเั่นทำมานี่ยไม่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็ต้องประพฤติหรือปฏิบัติให้ถูกแล้วการปฏิบัติให้ถูกเนี่ยถ้าเรียกลมรวมว่าปฏิบัติสมควรแกร่ทำ อันนี้เราก็มาสอบสวนเอามาตรวจตราพิจารณาตัวเองนะว่าเออเราการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของทานศีลภาวนาเนี่ยมันสมควรแก่ทำหรือมันถูกไหมแล้วถ้าเราถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยหรือว่าปฏิบัติดีนะมันก็เกิดสุขนะอย่างที่พระุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยทำที่ประพฤติแล้วย่อมนําสุขมาให้อายตนะพุท้ทนีนะ